บทที่ 16 ทางสายกลางทําอย่างไรถึงจะ วิธีพิจารณาง่ายๆที่พระป่าท่านใช้กันก็คือการสังเกต แต่ความเป็นกลางทางจิตนั้นเท่าเช่นเป็นกลางคือเป็นปัจจุบันไม่ ถ้าจิตหลงเชื่อวิ่งตามกิเลสก็สุดโต่งไป เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติไม่ไหลพิสุอดีตและอนาคตเป็นกลางปราศจากความยินดี ที่ไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินยิน 18 กันยายน 2542